พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงใช้กลักยาตาชนิดต่างต่างรูปใดใช้ต้องอาบัิทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตกลักยาตาทำด้วยกระดูกทำด้วยงาทำด้วยเขาทำด้วยไม้ อ, อ้อทำด้วยไม้ไผ่ทำด้วยไม้ ทำด้วยย่างไม้ทำด้วยผลไม้ทำด้วยโลหะทำด้วยเปลือกสังกลักยาตาไม่มีฝาปิดผงหญ้าบ้างฝุ่นบ้างปลิวลงไปภิกสุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกสุทั้งหลายเราอนุญาตฝาปิด